ติดอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างที่ติดยาเสพติดให้โทษ ด, ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละทางร่างกายสิ่งที่ติดอยู่นี้เรียนี่แหละคือตัวอาสวะหรือตัวอนุสัยติดฟินติดสุราก็เป็นอาสวะอนุสัยซึ่งเป็นไปทางกาย สิ่งอันใดที่ได้เสพคุณคือได้ส่องเสพ บ, บ่อยๆได้ทำบ่อยๆก็ย่อมให้บังเกิดภาวะดังกล่าวมันนี้และทุกๆคนก็ ย่อมจะมีภาวะดังกล่าว อ, อยู่นี้แม้ทางร่างกายซึ่งน่าจะเป็นร่างกายโดยเฉพาะจันว่า ม, มือขวาของทุกทุกคนหัดให้เขียนหนังสือมาตั้งแต่เล็กๆให้หยิบจับทำอะไร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 จะเรียกว่าเป็นการเก็บชั่วก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนดีก็เก็บไว้เหมือนกันสั่งสมไว้เหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าอาสวะอนุัยเรียกว่าบารมีก็คือเก็บดีเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเข้าใจง่ายและจำง่าย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 สิ่งอะไรที่มีการเสพคือการทาการซ่องเสพการปฏิบัติการกระทาอยู่บ่อยๆแล้วทั้งทางกายทั้งทางใจยอมทำให้ติดได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความคุ้นเคยในสิ่งที่เสพ บ, บ่อยๆที่ทำบ่อยๆนั้น เพราะฉะนั้นการส่องเสพนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญตามที่กล่าวมานี่ก็เป็นการแสดงขยายออกไปว่ามีสัจจะคือความริงอยู่เช่นนี้ว่าปฏิเสววนาะการซ่องเสพหรือเสววนาะการซ่องเสพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และโดยเฉพาะสำหรับปัจจัยสี่นี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องส่องเสพกันอยู่ต้องบริโภคกันอยู่เป็นประจำทุกวันฉะนั้นหากไม่พิจารณาโดยแยบคายแล้วการส่องเสพก็จะทำให้ เกิดตัณหาอันสืบเนื่องมาจากความสุขนี่แหละที่ได้จากการส่องเสร็จคือทำให้ติดที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าพระเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาแล้วก็ลงไปเป็นอาสจจวะติดอยู่ในจิตตสันดาน โดยลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่พิจารณาในการส่องเสพซึ่งส่องเสพอยู่เป็นประจำนี้โดยแยกไขแล้วการส่องเสพปัจจัยทั้งสี่นี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดตันหาซึ่งปัจจัยให้ไปเก็บชั่วเป็นอาสวะดองจิตสันดาน อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งสี่นี้ต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยบคายโดยความก็คือว่าเพื่อที่จะไม่ให้การบริโภคปัจจัยทั้งสีน่นี้ก่อตัณหาก่ออาสวะคือเก็บชั่วนี้ให้บังเกิดขึ้น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 คือบม่ได้พกเพื่อดำรงชีวิตอยู่และดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังที่ตรัสสอนว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือเพื่อที่จะใช้ชีวิตนี้ประพฤติพุทธศาสนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นความประพฤติที่ประเสริฐคือเป็นความประพฤติที่ดี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 เมื่อเป็นดังนี้แล้วสติและปัญญาที่มีความระลึกได้และมีความรู้ถึงประโยชน์ดังนี้ก็จะทำให้เป็นการป้องกันตัณหาเป็นการป้องกันอาสวะ มีให้เพิ่มเติมต่อไปและทำให้อาสะวะเก่านั้นถอยกำลังลงด้วยเพราะฉะนั้นการที่พิจารณาโดยแยกขายบริโภคจึงเป็นเหตุและอาสะวะกิเลตที่ดองสันดานได้ข้อหนึ่งและก็เป็นข้อสำคัญ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมกถาในการอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอารหันต์สมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะ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 นำสติปัฏฐานตรัสสอนวิธีละอาสวะกิเลส ด, ดองสันดานได้แสดงมาแล้ว คือวิธีละด้วยทัศนะปัญญาที่รู้เห็นด้วยวิธีสังวรสังวรคือสมโสูลสีและ ด้วยวิธีเสบบริโภคปัจจัยทั้งสี่โดยพิจารณาโดยแยกขายเสบบริโภคจะแสดง วิธีที่ตรัสสอนไว้ต่อไปเป็นข้อที่สจตรัสสอนให้ละอาสวะด้วยความยับยัง้งไว้อยู่หรือรับ เอาไว้อยู่หมายถึงชายขันติคือความอดทนหรือความอดกลั่นต่อหนาวร้อน ผิวระหายสัมผัสเลือบยุงลมแดดสัตว์เรครือขานทั้งหลายต่อถ้อยคําที่กล่าวมาไม่ดี เสียดแทงกระทบกระทั่งต่อเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตนอันเป็นทุกขเวทนาที่ แรงกล้าเจ็บปวดรวดร้าวไม่เป็นที่พอใจต้องการอย่างหนักถึงขนาดที่จะนำชีวิตไปได้ เมื่อไม่ยับยั้งไว้อยู่ไม่รับเอาไว้อยู่คือไม่มีขันติอดทนอดกลั้นอาสวะทั้งหลายเราใด ที่ทำให้ขับแค้นทำให้เดือดร้อนย่อมเกิดมีขึ้นแต่เมื่อยับยั้งเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้รับไว้อยู่คือมีขันติอดทนอดกลั้นได้ อาสวะเหล่านั้นก็ย่อมไม่มีไม่เกิดขึ้นในพระพุทธโอวาทนี้ตรัสสอนให้ใช้วิธีที่เรียก ว่าอธิวาสนะที่แปลว่ายับยังเอาไว้อยู่หรือแปลว่ารับไว้ได้อันเป็นลักษณะของขันติ อย่างหนึ่งเรียกรวมกันก็ได้ว่าอธิวาสนะขันติแปล ว, ว่าขันติคืออธิวาสนะยับยังเอาไว้อยู่รับไว้ได้ นลักษณะดังกล่าวนี้แปลกันว่าอดทนหรือว่าอดกลั้นมั่นแหละก็มีสอนกันไว้จำแนกเป็นสาม คืออดทนต่อความตรำตรมอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรกตรำนั่นก็ตรงกับที่ตรัสเอาไว้ ว่ารับไว้อยู่ซึ่งหนาวร้อนหิวระหายสัมผัสเลือบยุงลมแดดสัตว์เสรือครานทั้งหลาย นต่อความเจ็บใจก็ตรงกับติดตรัสสอนว่ารับไว้ได้ซึ่งถ้อยคําที่กล่าวไม่ดีที่เสียแทงจับจ้วงล่วงเกินอดทนต่อความลำบากก็ตรง ก็ตรงกับจิตรัสเรว่ารับไว้ได้ซึ่งเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตนที่เป็นทุกขเวทนาอันแรงเจ็บปวดรวดร้าว ดังกล่าวแล้วทาไมจึงว่ารับไว้อยู่หรือยับยังเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้ก็เพราะว่า ความตรากตรมก็จําที่จะต้องพบคือจะต้องพบกับหนาวร้อนหิวระหายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ จะห้ามไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้ระหายมิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ว่าจะมีปัจจัยเครื่องอาศัยสำหรับบาบัด คือปัจจัยสิดังกล่าวมาแล้วในข้อสามก็ตามแม้เช่นนั้นก็ยังจะต้องพบกับความตรัตรำเหล่านี้ เพราะว่าจะต้องประกอบการงานจะต้องอยู่ในที่ซึ่งต้องมีหนาวมีร้อน อันเกิดจากดินฟ้าอากาศฤดูกาลทั้งยังอาจพบกับหนาวร้อนซึ่งบังเกิดขึ้นจากการกระทำ ของบุคคลโดยมุ่งดีก็ตามมุ่งร้ายก็ตามทั้งยังจะต้องมีความหิวระหายแม้จะบริโภคอาหารสำหรับบาบัด ก็บริโภคตามการเวลาที่พึงบริโภคเมื่อยังไม่ถึงการเวลาที่บริโภคความหิวระหายก็เกิดขึ้นได้หรืออาจมีความขัดข้องด้วยอาหารด้วยน้ำดื่ม ในการบางครั้งบางคราวหรือแม้มาปฏิบัติธรรมะรักษาศีลที่เว้นมีการละโภชนะก็ต้องอดทนต่อหิวระหายในเวลาวิการที่ งดเว้นไม่บริโภคทั้งเมื่อมาปฏิบัติธรรมะก็จะต้องงดเว้นจากเครื่องบำรุงความสุขต่างๆจึงต้องพบกับข้อที่จะต้องตรัตรำ หลายอย่างหลายประการเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหากไม่มีความอดทนหรืออดกลัน้นที่จะรับ ภาวะหนาวร้อนเป็นต้นได้อาสวะทั้งหลายก็ยอมจะบังเกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนขับแค้นต่างๆแต่เธอสามารถ รับไว้ได้คือรับต่อภาวะเหล่านั้นได้อาสวัสดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาการที่รับไว้ได้นั้น จึงเรียกว่าขันติอดทนอดกลั้นอันหมายความว่าต้องทนต้องอดต้องกลั้น ไม่พ่ายแพ้ต่อภาวะเหล่านั้นก็ได้มีคำที่พูดกันว่ามีน้ำอดน้ำทนก็คือมีความอดทนนั่นเองต้องอดต้องกลั่นต้องอดต้องทน คำว่าอดนั้นก็เช่นเกิดหิวแต่เมื่อไม่ถึงเวลาที่จะบริโภคก็ต้องอดคือว่ายอมอด และก็ต้องทนต่อความทุกข์ที่เกิดจากความหิวอดกลั้นก็เช่นเดียวกันต้องกลั้นเอาความหิวเอาไว้คือยอมอดนั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นขันติและเมื่อมีขันติดังนี้ก็รับเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้อดทนได้อดกลั้นได้ปฏิบัติการงานต่อไปได้ปฏิบัติธรรมะต่อไปได้ ไม่พ่ายแพ้อดทนต่อความเจ็บใจก็เช่นเดียวกัน